เมือ่อสักครู่เราได้สาธยายพุทธภาษิตตอนหนึ่งที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ที่ใจพุทธภาษิตนี้สำคัญมากนะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยใจเนี่ยเรียกว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเลย ความสุขความทุกข์ของคนเรานะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเท่าไหรนะ่แต่มันอยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญเลยสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะพวกเราทางานเรื่องสุขภาพก็ต้องตระหนักว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของกายอย่างเดียวนะ มันเชื่อมโยงกับเรื่องของใจมากและบางทีใจนี่ก็โดดเด่นสำคัญกว่ากายด้วยซ้ำบางทีเป็นอะไรไม่ได้มากนะร่างกายเนะี่ยแต่ว่าพอใจแยนะ่ก็ทำให้ร่างกายพลอยย่ำแย่ไปด้วย คุณหมอประเวศวัชสีท่านเคยเล่าว่าสมัยที่รักษาทำงานอยู่ที่สีหรือลาท่านเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเลือดวันหนึ่งก็มีคนไข้มาหาคนไข้ที่เดินไม่ได้นะไม่มีแรงตัวซีด ต, ต้องนอนเปลมา อาการดูท่าทางจะหนักนะคุณหมอก็ซักถามคนไข้แล้วก็ดูอาการซักพักก็าหาันไปพูดกับแพทย์ประจำบ้านนะก็เป็นอ่าก็เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็บอกว่าคนไข้คนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะใช่เป็นพยาปักขอ เลือดจางขาดโลด โ, ลโลหะขาดเหล็กนะเดี๋ยวให้เหล็กไปก็จะหายวันหายคืนพูดเสร็จก็หันมาที่คนไข้ปรากว่าคนไข้นี่พอที่เห็นคุณหมอพูดอย่างนั้นก็ลุกขึ้นมาได้เลยแล้วก็บอกกับคุณหมอว่าหมอคุณหมอถ้ามันเป็นแค่นี้ก็ ไอเ้เผลนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วละ่ะเห็นเผลออกไปเลยทำไมเรียลแรงกลับมาทันทีเลยจริงเนี่ยต้องถามใหม่ว่าทำไมแค่มีพยาติปากคอเนี่ยนะถึงไม่มีเรื่องไม่มีแรงมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ทำไม ทำท่า ม, มันก็ว่าป่วยหนักอันนี้เป็นที่ใจนะเป็นเพราะใจจะคงคิดว่าฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่านะหรือว่าปรุงแต่งไปต่างๆนานาสารพัดว่าเป็นโรคร้ายแล้วก็เชื่อว่าเป็นจริงๆพอช่อวยเป็นจริงๆนี่ก็ร่างกายมันก็สุดเลยเพราะว่าพอใจเสียแล้วมันก็ฉุดกายให้เสียตามไปด้วยแค่เป็นพยาเท่านั้นแหละ ถึงกับไม่มีเรือดไม่มีแรงต้องนอนเปลมะแต่พอรู้จากป้าคุณมอยว่าไม่เป็นอะไรกินเหล็กแต่เดี๋ยวเดียวก็หายพอรู้ความจริงเข้านะโอ้ไอความกังวลมันหายเป็นเป็ดทิ้งเลยเรียลแรงกลับมาทันทีอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยใจเนี่ยมันเป็นตัวการสําคัญมากเลย มีอีกรายหนึ่งนะเป็นพนักงานบริษัทอายุก็ไม่มากนะักทั้สามสิบสี่สิบเล่นเทนนิสเป็นประจำวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอก็บอกว่าคุณหัวใจรั่วแกตกใจมากเลยนะเพราะว่าหัวใจรั่วในความเข้าใจของแกหมายถึงว่าหัวใจมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นรูนะมันมีรอยรั่วนะ เวลาเลือดบีบเวลาหัวใจเต้นเนี่ยเลือดมันก็ชูออกมาอย่างนี้ก็ตายสิใจแกเสียเลยนะที่จริงเนี่ยหมอตั้งใจจะบอกแกว่าแกลิ้นหัวใจรั่วแต่หมอพูดไม่ชัดเจนนะเพอาะว่าหัวใจรั่วนี่คนไข้ก็ปรุงไปในทางที่เลวร้ายมากบอกว่าสุดเลยนะแค่สองสาวันเท่านั้นแหละก็ต้องเข้าโรงพยาบาล แล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นก็ต้องเข้าห้องไ c u แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยทั้งที่ลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยนะก็ยังสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ยังสามารถจะออกกำลังกายได้ได้ซ้ำถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ต้องรักษาก็จริงนะแต่ก็ไม่ทาไม่ถึงกับว่าต้องทำให้นะตายใบแบบนะฉับพลันเลยนะ จริงๆเนี่ยร่งางกายแกนะไม่ได้หนักหนาสาหัสมากอนยะ่างที่แกคิดแต่พราใจเนี่ยนะปรุงแต่งไปในทางที่เวลวร้ายแล้วก็เลยเกิดความกลัวความพิสตกมันก็ทำให้ร่างกายนี้ซนะุดเป็นเลยแล้วก็ซุดไปจนกระทั่งถึงกับตายได้อันนี้เรียกว่าพอใจนะ ความเจ็บป่วยเนี่ยป่วยกายยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าป่วยใจนี่มันน่ากลัวกว่าความกลัวความวิตกกังวลความเครียดนี่เราเป็นความป่วยใจถ้าป่วยใจแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะซ้ำเติมกายให้ยําแย่ลงไปบางทีกายไม่เป็นอะไรนะคือไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่า พอใจแย่แล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้ป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็ไม่มากยี่สิบกว่าแกมีอาการคือปวดหัวปวดท้องเรื้อลังความดันสูงเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วไปหาหมอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะหาหมอเป็นปีนะก็ ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หมอเองเนี่ยก็ท้อเหมือนกันนะเพราะว่าสุขตรวจร่างกายแกก็มีมีอะไรผิดปกติแต่ทำไมแกปวดหัวปว ด, ปว ด, ปวดท้องอยู่เป็นประจำความดันขึ้นยอะเรือ้อรังแล้ววันหนึ่งแกไปหาหมอหมอก็ฉุกคิดขึ้นมาก็เลยถามว่าก็เลยบอกว่าคุณช่วยเล่าประวัติอคุณให้ฟังหน่อยสิ แกก็เล่าว่าแกเป็นลูกกำพร้านะพ่อแม่ตายตั้งแต่เล็กแกก็อยู่กับพี่พี่ก็ทำหน้าที่ดูแลแกแต่แกคงจะผิดใจอะไรบางอย่างกับพี่น้อยใจโกรธพี่เวลาแกพูดถึงพี่เนี่ยแกก็จะมีอาการอารมณ์แสดงความโกรธออกมาหมอเห็นอาการอย่างนี้แล้วก็เลย รู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรสิ่งที่หมอแนะนําคืออะไรคือให้เขาอาภัยพี่สาวหมอไม่ได้ให้ยานะบอกว่าคุณเนี่ยควรจะให้อภัยพี่สาวคนไข้ไม่พอใจนะเพราะว่าหมอแทนที่จะให้ยากลับมาบอกให้แกทํานั่นทนํานี่ให้อภัยพี่สาวมันคนละเรื่องกันเลยแกก็เลยหายไปเลยนะไม่ไปหาหมออีก แต่ผ่านไปเป็นปีนะหมอคนนี้ก็ได้จดหมายจากผู้หญิงคนเนี้บอกว่าตอนนี้หายแล้วนะไอ้ที่ปวดหัวปวดท้องเรื้อรังเนี่ยความดันเพราะว่าทําตามที่หมอแนะนําหมอแนะนําว่าอะไรให้อภัยปัญหาแกก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากความโกรธความโกรธความขับแค้นใจร่างกายไม่เป็นอะไรแต่พอมีความโกรธความขับแค้นใจแล้วมันก็ทําให้ ร่างกายในยเกิดอาการแต่เป็นอาการที่หาสาเหตุทางกายไม่พบ ใ, ใจคนเรานี่มันมันมีอิทธิพลมันทรงพลังมากนะร่างกายไม่เป็นอะไรก็สามารถจะทำให้ป่วยโน่นป่วยนี่ได้ต่อไปพวกเราเองหรือตัวเราเองอาจจะเจอเคสแบบนี้เยอะหรือตัวตัวเองอาจจะเป็นเองก็ได้ ไม่มีอะไรนะร่างกายไม่เป็นอะไรแต่เครียดเพราะอกหักนะเพราะว่างานการล้มเหลวเพราะสูญเสียคนรักนะก็อาจจะล้มหมอนนอนเสือได้กินยายไงก็ไม่หายนะแค่รักษาอาการแต่ถ้าหากว่าตามอด้ที่ยังไม่รักษาจิตใจให้กลับมาเป็นปกติก็อาจจะยังป่วยอยู่ร่างกายกับใจนี่มันสัมพันธ์กันมากนะ บ่ยครั้งเนี้ยสิ่งที่ต้องทําก็คือการรักษาใจอาจจะไม่ต้องทําอะไรกับกายมากก็ได้อย่างเช่นการให้อภัยการให้อภัยนี้ก็ช่วยรักษาร่างกายแล้วก็เยียวยาจิตใจได้ดีมากโดยเฉพาะคนที่ป่วยเพราะความโกรธเพราะความแค้นการให้อภัยการแผ่เมตตานะอันนี้มันก็ ช่วยเยียวยาทั้งจิตใจและร่างกายได้การให้ภัยนี่ก็จะว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะการใช้ธรรมะในการรักษาความเจ็บป่วยนี่มันมีประสิทธิภาพนะบางคนเนี่ยป่วยชนิดที่เราว่ายานี่เอาไม่อยู่ละหมอนี่ก็หมดปัญญาละเช่นเป็นมะเร็งมีอาจารย์แพทย์คนหนึงเป็นมะเร็ง แล้วมันก็ลามไปถึงกระดูแกปวดมากนะปวดจกนกระทั่งนั่งไม่ได้นะนอนก็ไม่ได้ต้องงอก่องงอขิงเพราะว่ายาเนี่ยนะเอาไม่อยู่แล้วยาที่หมอให้ก็เต็มที่แล้วแกปวดจกนกระทั่งเหงื่อเนี่ยออกมาเป็นเม็ดตัวโตวเลยตัวซีดปากซีด แลคุณหมอเมาลาก็จะเยี่ยมคนไข้คนนี้แหละเป็นอาการแบบนี้แล้วก็อยากจะช่วยก็ลเลยแนะนําคุณหมอให้ทําสมาธิทํำยังไงก็แกไม่เคยทำหนึ่คุณหมอก็แนะนําว่าให้หายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทนะเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็บริกรรมพุทโทให้จิตแนบแน่นอยู่กับคําว่าพุท แล้วก็โทรทีแรกคุณหมอมรลาก็คิดว่าคนไข้คงทำได้ไม่นานเพราปวดก็ปวดแถมไม่เคยทำสมาธิมาก่อนห้านาทีนี่ก็เก่งแล้วเพรบอกว่าห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วสามสิบนาทีก็แล้วคนไข้ก็ยังนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ยิ่งนั่งนั่งหลังก็ยิ่งตรง ก็แก่ทาไปถึงห้าสิบนาทีนะทาเสร็จก็รู้สึกสบายเงื่อนี้หายเลยนะปากนี่เป็นสีแดงเลยแอปสีชมพูเลยเลือดเลือดลมดีขึ้นเห็นผลทันทีเลยความปวดนี่ทุเราไปเยอะเลยอันนี้เพราะอะไรเอราอำนาจของสมาธินะจิตเนี่ยพอมากำหนดอยู่กับลมหายใจ นะหรือว่าอยู่กําหนดกําหนดอยู่กับสิ่งใดก็ตามแล้วเกิดเป็นสมาธิขึ้นมานะมันก็จะเกิดสิ่งที่ เ, เรียกว่าปัจจัตนะิคือความผ่อนคลายกายและใจแล้วเกิดสุขตามมาปัจัติที่ก็ทําให้เกิดสมาธิสมาธิก็ทําให้เกิดปัจจัติได้แล้วก็สุขก็ตามมาสมาธิกับสุขนี่เป็นของคู่กันนะที่แลรกก็สุขใจก่อนนะ พอสุขใจแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะเริ่มหลั่งสารหลัง on, นะ่งฮอร์โมนนที่ช่วยในการบรรเทาปวดได้นะมีฮอร์โมนหลายอย่างนะที่ร่างกายเราสามารถที่จะหลั่งออกมาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความปวดได้นะพวกเราที่ทำเรื่องสุขภาพนี่ก็ควรจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะเวลาใจเราเป็นสุขใจเราเป็นสมาธิเนี่ยนะ นอกจากร่างกายนอกจากจิตใจมันจะลืมเจ็บลืมปวดแล้วมันยังผลิตสารบางอย่างเช่นเอนโดฟินเอนโดฟนก็มันก็คือมอร์ฟีนที่ร่างกายเราผลิตไม่ต้องเอาจากข้างนอกข้างใน ม, นมันมีอยู่แล้วสารพวกนี้โดพา ม, มีนพวกนี้มันก็ช่วยทำให้ความปวดนี่ระงับบรรเทาเอคุณหมอคนนี้เนี่ยแกไม่เคยทำสมาธิมาก่อนแต่ว่าแกมีสมาธิกับงาน เวลาทำงานจะมีสมาธิมากใอสมาธิกับงานกับสมาธิในการดูลมหายใจก็อันเดียวกันเพราะเ อ, อามาใช้มันก็ให้ผลนะทําให้ใจเป็นสุขพอใจเป็นสุขกายก็สุขด้วยความปวดก็หายไปตอนหลังก็เวลาคุณบอกคนที่ปวดนะแล้วก็ แกก็จะลองทาสมาธิก่อนอยังไม่ต้องกินยานะก็ปากว่ามันก็ช่วยทำให้คลายความปวดได้เยอะเว้นแต่ว่าวันไหนทาสมาธิไม่ค่อยดีมันปวดมากาก็ค่อยกินยาสมาธินี่ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่ง น, นะเป็นธรรมโอสถนะที่ช่วยเยียวยาความเจ็บความปวดได้นอกจากสมาธิและสติก็เหมือนกันนะสติเนี่ยกับสมาธิไม่เหมือนกันนะ สตนนี่ทําหน้าที่ในการระลึกได้หรือว่าในการดูดูกายดูใจมันต่างจากสมาธิง่ายๆอย่างนึงคือว่าสมมุติเราปวดขานะปวดท้องเราก็จิตมาอยู่ที่ลมหายใจอันนี้เรียกว่าสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิกับลมหายใจก็เกิดความตั้งมั่นแต่ว่าสเตนนี่ก็คือมาดูนะ ปวดตรงไหนก็ดูตรงนั้นปวดท้องก็ดูที่ท้องปวดขาก็ดูขาดูอะไรดูเวทนาดูความปวดนะไม่ได้ไปเพ่งที่สิ่งอื่นหรือส่วนอื่นของร่างกายการใช้สติดูเวทนาดูความปวดนี่ก็ช่วยได้แต่ส่วนใหญ่ดูไม่เป็นนะดูทีไรมันมันหลุดเข้าไปหายเข้าไปจมเข้าไปในความปวดก็ยิ่งปวดหนักขึ้น ก็ดูไม่เป็นแทนที่จะเห็นก็เลยเป็นเลยนะดูหรือเห็นนี่มันไม่ใช่มันต่างกับเข้าไปเป็นนะส่วนใหญ่เข้าไปเป็นนัไม่ใช่ดูหรือเห็นมีคนหนึงเป็นมะเร็งลำไส้ปวดมากยาก็เอาไม่อยู่แต่ว่าเคยเจริญสติมาก่อนก็คงจะมีความาก็คงทำจนคุ้นเคยนะ พอพึ่งยาไม่ได้เราก็มาพึ่งสติแทนนะแกก็เล่าด้วยสมมติอของแกเองนะว่าเนี่ยสติมันเอาจิตไว้ที่หัวไหลแล้วก็มาดูทองที่ปวดนะความปวดยังมีอยู่นะแต่ใจไม่ปวดแล้ะมันแยกกันกายปวดแต่ใจไม่ปวดเพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นผู้ดูความปวดไม่ใช่หลุดเข้าไปในความปวดจิตถอนออกมาดูความปวดนะ ความปวดไม่ได้หายนะยังอยู่แต่ว่าใจนี่ไม่ได้ปวดตามไปด้วยแต่พอเพลิสติเมื่อไหร่ใจมันเข้าไปรวมกับกายก็ปวดใหม่นะต้อพอมีตั้งสติได้อากลับมาดูนะกลับมาดูความปวดก็ไม่เป็นผู้ปวดนะอันนี้เรียกว่าใช้สตินะในการรับมือกับความเจ็บปวดกายยังปวดอยู่แต่ใจไม่ได้ทุกข์นะ แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ไม่รู้วิธีเหล่านี้ก็เลยใจมันก็เลยย่ำแย่ตามไปด้วยนอกจากสมาธิแล้วสติแล้วนะปัญญานี่ก็ช่วยไดนะ้ปัญญานี่หมายถึงอะไรปัญญามหมายถึงความเข้าใจความเข้าใจในเรื่องความจริงของชีวิตเช่นเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าคนเราเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา พอเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะเจ็บป่วยขึ้นมาก็เออก็ธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองยอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่บางคนไม่อย่างนั้นนะตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นชั้นอุตสาสร้างบุญสร้างกุศลมาทำไมถึงต้องมาเป็นมะเร็งนะทำไมถึงต้องมาเป็นโรคหัวใจทาไมต้องเป็นเบาหวานไตวาย อุตสาห์ทำความดีมาอันนี้คือเรียกว่าคนที่ทำบุญทำความดีมาแต่ไม่เห็นความจริงหรือไม่ตระหนักยอมรับว่าคนเราเนี่ยมันหนีความเจ็บความป่วยไม่พน้นไม่ว่าดีหรือชั่วนะมันก็เจ็บก็ป่วยทั้งนั้นเดี๋ยวว่าแต่ปุุชนเลยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็ป่วยเป็นเจ็บเป็นนะแต่ว่าท่าน เห็นว่ามันเป็นธรรมดาถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้ยึดติดกับสังขารนี้ว่ามันต้องมันต้องเที่ยงมันต้องดีไปตลอดกาลไม่ใช่แล้วเมื่อเห็นความจริงเช่นนี้เนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ใจได้พอใจไม่ทุกเนี่ยมันก็ไม่ไปซ้ําเติมกายเห็นว่ามันเป็นธรรมดา ปัญญาที่เข้าใจไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขงกังอนัตตาเนี่ยมันก็ช่วยเยียวยานะความทุกข์เพราะความเจ็บป่วยได้พอใจนี่ปกติแล้วเนี่ยนะมันก็ช่วยชุดให้กายนี่กลับมาดีขึ้นได้ก็มีเนหะ็นความปวดก็เออก็ปวดไปนะเป็นเรื่องของกายไปแต่ใจไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บด้วย ปัญญาที่เห็นความจริงเรื่องรูปนามหรือเข้าใจรูปนามนี่ก็ก็ช่วยได้เหมือนกันนะความเข้าใจรูปนามหมายความว่าเข้าใจหรือเห็นเลยว่าอ๋อที่แท้นี่มันไม่มีตัวเรานะมันมีแต่กายใจคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่เห็นตรงนี้หรือว่าคิดเอาแค่คิดเอานะแต่ว่า ไม่ได้เห็นจริงๆว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวเรามันมีแต่กายกับใจรูกกับนามแล้วก็เห็นไ ป, ไปกระทั่งว่ารูปก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานามหรือใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพนะ้นพอเจ็บพอป่วยเข้านะเวลาเกิดความเจ็บป่วยที่กายเนี่ยใจก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยนะกายยังปวดอยู่นะแต่ว่าใจนี่เป็นปกติ ยางมีเรื่องเาว่าหลวงปู่บุตานะท่านก็มรณภาพาไปยี่สิบปีแล้วนะตอนนั้นตอนที่มรณภาพว่าอายุร้อยกว่า ป, ปีร้อยหนึ่งปีเรื่องนี้ก็ประมาณสักสามสิสีสปีมาแล้วสมัยที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหนะ้าท่านเป็นนิ้วก็ต้องผ่าผ่าเอานิ้วออกผ่าเสร็จสักพักนะไม่นานนะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรละเขาอย่างชั่วละจะกลับวัด หมอก็แปลกใจพยาบาลก็แปลกใจเพราะคนไข้ส่วนใหญ่นี่ต้องพักฟื้นอยู่หลายวันแล้วก็เลยถามหมอถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่ปวดเหรอคนหนึ่งก็ปวดก็ทั้งนั้นหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าปวดนะทำไมไม่ปวดร่างกายของฉันก็เหมือนคนธรรมดาละมันปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยใจไม่ได้ปวดด้วยนี่เราว่าท่านแยกลูก แยกน้มออกจากกันแยกกายกับใจเนะพราะถเห็นความจริงว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็มีแต่รูป ก, กับนามกายกับใจแต่คนส่วนใหญ่มัน น, ะนอกจากมองไม่เห็นความจริงอันนี้แล้วก็ยังมีความยึดติดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรานะเวลาเกิดความปวดที่กายก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะก็ไปคิดว่าเนี่ยฉันปวดฉันปวดกูปวดกูปว ด, ปวดมันมีตัวกูเป็นผู้ปวดอยู่ตลอดเวลา นะถ้าคิดแบบนี้หรือสําสำคัญมามาแบบนี้เนี่ยก็ใจก็พลอยย่ำแย่ไปด้วยแต่คนที่เขาแยกกายแยกใจหรือเห็นความจริงของรูปนามนะเขาจะไม่ปล่อยให้ความปวดความเจ็บทางกายเนี่ยมาเล่นงานจิตใจได้เพราะว่าเห็นว่ามันคนละส่วนกันเกี่ยวข้องกันก็จริงแต่คนละส่วน อย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยท่านเป็นอัมาพาตพิการตั้งแต่คอลงไปเพราะว่าเนื่องจากอุบัติเหตุจากการสอนนักเรียนว่ายน้ำนว่ายน้ำลงลงมาผิดท่านะหัวก็ศีรษะก็แทกกับพื้นสระก็อัมาพาตก็ทุกข์อยู่เป็นนานเลยนะสิบปียี่สิบปีได้ จระทั่งไดมาปฏิบัตินะมาเจริสตินะหลวงพ่อคำเขียนแนะนําว่าให้พลิกมือไปพลิกมือมาเวลาพลิกมือก็เห็นนะาไอ้ที่พลิกเนี่ยมันเป็นรูปนะถ้ามีความคิดก็รู้ว่าไอ้ทีคิดเนี่ยมันเป็นนามนะรูปมันพลิกนะแต่ว่าใจาแต่นามนี่มันคิดนะเวลาพลิกก็เห็นว่านี่รูปพลิกกายพลิกเวลาคิดเวลาโกรธเวลาฟุ้งซ่านก็รู้ว่าเนี่ย มันเป็นเป็นนามหรือเป็นใจที่คิดเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นกับใจอพิจารณาไปนะเจริญสติไปก็เห็นแล้วโอ้จริงๆแล้วนี่มันก็มีแต่รูป ก, กับนามเท่านั้นแหละพอเห็นตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าไอ้ความพิการไอ้ความทุกข์พพิการนี่มันมันเปลี่ยนไปเลยนะเห็นชัดแล้วว่าอาทพิการเนี่ยมันเป็นกายพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วย หลงไปคิดหลงคิดไปต้องนับว่าเราพิ ก, การเราพิ ก, การแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นแค่กายที่พิ ก, การแต่ใจไม่ได้พิ ก, การด้วยพอเห็นตรงนี้เนี่ยจิตท่านว่าจิตเราจะความพิการเลยเราจะความทุกข์เลยจิตมันไปลงคิดเอาเองนะว่าฉันพิ ก, การฉันพิ ก, การที่จริงไม่ใช่มันเป็นแค่กายพิการใจไม่ได้พิการด้วยอันนี้เรียกว่าความทุกข์มันคลายไป มละลายหายไปเพราะว่ามีปัญญานะความพิการยังมีอยู่ความเจ็บความปวดยังมีอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ละเพราะปัญญางั้นะถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้ธรรมะนะไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นการให้อภัยเมตตากรุณาสลัดความโกรธไปได้ รู้จักใช้สมาธิรู้จักใช้สติหรือปัญญานะนั้นก็จะช่วยรักษาใจนะไม่ให้ความทุกเนี่ยจากกายเนี่ยกระจายหรือแพร่มาครอบงมจิตใจได้กายทุกแต่ว่าใจไม่ทุกนะในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าไม่มีธรรมะรักษาใจแล้วเนี่ยใจมันก็จะย่าแย่พอใจย่ำแย่ ก็ไปซ้ำเติมใจอะซ้าเติมกายให้แย่ไปด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่จะทุกข์แค่หนึ่งก็เลยทุกสองเป็นเลยและบางทีไอ้ความทุกข์ใจหรือความป่วยใจเนี่ยมันทำร้ายร่างกายยิ่งกว่าโรคภัยแค่เจ็บซีอย่างที่เล่านะเมื่อตอนต้นว่าจริงไม่ได้เป็นอะไรมากนะ ก็ลิ้นหัวใจรั่วนะแต่พอใจเสียแล้วนี่มันทำให้ถึงตายได้นะอย่างน้อยนี่ถ้าเรายัางยังไม่สามารถที่จะมีปัญญาเห็นชัดนะในเรื่องของไตรักเรื่องของรูปนามนะแต่ว่ารักษาใจของเราด้วยสติด้วยสมาธินะหรือว่ายอมรับว่าเออมันเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองมันก็จะช่วยไม่ให้ อาการของเราเนี่ยยําแย่หนักกว่าเดิมด้วยคนเรานี่มักจะซ้ําเติมตัวเองนะกายแย่อยู่แล้วใจก็ไปซ้ําเติมให้หนักขึ้นด้วยความโกรธบ้างด้วยความกลัวบ้างนะความกังวลบ้างความวิตกกั้นะอย่าไปซ้ําเติมแค่ป่วยกายนี่มันก็พอแรงอยู่แล้ว อนุภาพคำเขียนนะสุวรรณโนเนี่ยนะที่นะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยท่านเคยเป็นมะเร็งนะมะเร็งก็ลามจากต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมาถึงตับท้องนี่โตมากเวลาหมอนะตรวจเนี่ยถามว่าเจ็บไมมท่านบอกเจ็บมากแต่พอกดนะพอกดลงไปเนี่ยท่านไม่ร้องเลย หมอเพียรบางก็แปลกใจทําไมไม่ไม่ร้องหลวงพ่อก็อธิบายว่าเนี่ยก็มันเจ็บอยู่แล้วนะจะไปร้องทำไมให้ขาดทุนนะจะไปร้องทำไมให้ขาดทุนก็คือว่าจะไปซ้ำเติมทำมก็มันเจ็บอยู่แล้วยิ่งร้องก็ยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่การเป็นการซ้ำเติมนะตัวเองที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเราเรามองเป็นนะ แม้เจ็บแม้ป่วยเนี่ยก็อาจจะได้กําไรก็ได้ก็คือให้ความเจ็บป่วยเนี่มันสอนทำแก่เรานะหลวงพ่อพุะตถาท่านบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดท่านะนแน่ว่าเวลาเจ็บทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะฉลาดคือฉลาดเรื่องอะไรฉลาดเรื่องธรรมชาติของชีวิตนะว่าชีวิตคนเร้ายนก็หนีไม่พ้นนะความ แก่ความเจ็บความตายธรรมชาติของกายมันสอนทำเรื่องตายรักตลอดเวลาที่จังทุกขังกันตาในเวลาสบายๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นทำหรอกเพราะเราเพลินกับความสบายเพลินกับความสุขจนประมาทแต่พอเจ็บป่วยเนี่ยมันเห็นทำชัดเจนแล้วเออร่างกายนี่ไม่เที่ยงนะไม่จีหลังยั่งยืนเลยนะเมื่อวานยังสบายอยู่เลยวันนี้ป่วยแนละยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยแต่ว่าหมดเรี่ยวหมดแรงซะละ หรือเห็นความทุกข์นะความทุกข์ว่าร่างกายเลยมันเต็มไปได้วยทุกข์ไอตอนสบายสบายไม่เห็นหรอกนะว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ที่จริงทุกข์มันอยู่นะมันซ่อนอยู่แต่มันไม่แสดงตัวแต่พอป่วยนี่ก็จะเห็นเลยว่าโอ้ร่างกายนี้มันเป็ น, นทุกข์อิงหนอทุกครัังทุกครขังนียมันแสดงใ ห, ห้ให้เราเห็นจากความเจ็บป่วยนี่แหละอนัตตาก็เห็นได้จากความเจ็บป่วยนะว่ามันไม่ใช่ของเราเลย บังคับไม่ได้ร่างกายนี้สั่งให้มันหายปวดมันก็ไม่ยอมสั่งให้มันหายปวดหัวมันก็ไม่ยอมมันขัดขืนคาสั่งเราตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราอันนีความเจ็บป่วยนี่มันสอนทำให้เรานะถ้าเราเปิดใจเราก็จะได้กาไรคือได้ธรรมะและกาไรนี้จะมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ ส, สินเงินทองอโทรศัพท์รถยนต์ด้วย อันนี้แหละคือเรื่องของธรรมะเรื่องของใจที่เราควรศึกษาควรเรียนรู้นะแล้วมันจะช่วยเราได้นะไม่ว่าในเรื่องของสุขภาพก็ดีเรื่องของความสุขก็ดีมันหนีเรื่องของใจไม่พ้นใจนี่มันเป็นใหญ่ใจเป็นประธานมันสำเร็จได้ที่ใจก็เพราะเหตุนี้แหละอ่ะชาเ น, น, นื้นพะ่ทธนีนนะกราบระ